ช่วงนี้ก็มีคนมาวัดหลายคนบางคนก็เพิ่งมาวันแรกแต่หลายคนก็ามาได้ 3-4 วันละส่วนใหญ่คงจะรู้สึกว่าอาการมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดวยวพอทํามาด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตัวเองเพราะว่ามันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่เราไม่คุ้นเคย ไม่ใช่แค่สถานที่นะที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนที่บ้านของเราจะยังรวมถึงกิจวัตรประจาวันด้วยอย่างที่นี่ก็ต้องตื่นแต่เช้านะทีส3มทีสครึ่งเพื่อมาทำพิธีและยิ่งกว่านั้นคือว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเราไม่ได้แค่มานั่งๆ น, นอนๆอนหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าพูดคุยกับคน อย่างที่เราจะทำในชีวิตประจวันแต่เรามาเพื่อฝึกจิตนะเจเราเรียกว่าอาวนาหรือทากรรมฐานแล้วคงจะพบว่ามันต้องทวนกระแสหรือว่ากระแสกิเลสหรือความเคยชินของจิตใจก็ได้หลายคนอยากจะมาเพื่อสัมผัสความสงบ ในจิตใจแต่กลับพบกลับพบสิ่งตรงข้ามนะก็คือความว้าวุ่นฟุง้งซ่านแล้วก็แสบสายหายคนรู้สึกเงยหิดเท่ากับความคิดที่มันคิดเรีร้ราชยิ่งพยายามบังคับไม่ให้มันคิดฟุง้งซ่านพยายามที่จะสกดให้มันสงบ ก็ยิ่งผิดหวังแล้วเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอย่าไม่ต้องพูดถึงความง่วงหรือความเบื่อที่รุมเร้านะจิตใจของหลายคนแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกท้อนะที่ว่าพยายามบังคับใจไม่ให้คิดพยายามกดข่มมันไม่ให้ฟุ้งซ่าน มันกลับได้ผลตรงข้ามแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิบัติหรือการจญรสติมันเป็นเรื่องยากที่จริงเนี่ยที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องเราไปตั้งโจทย์ให้มันยากเองไม่มีนมักเขียนคนหนึ่งนะชื่อว่าหนุ่มเมืองจันเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชิตไม่ยากนะถ้าตั้งโจทย์ง่าย หลายคนจะเคยอ่านแล้วก็วาบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่าเราตั้งโจทย์หรือความมุ่งหมายของชีวิตนะว่าไม่ใช่ร่ำรวยแค่พออยู่พอกินชีวิตมันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากเพราตั้งโจทย์นะสูงส่งจนะต้องร่ำรวยต้องประสบความสำเร็จมันก็เลยยากเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรือว่า เจอประศักต่างๆก็เกิดความพืดทัดขัดเคืองรู้ตัวง่ายๆนะเวลาแต่งตัวไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าแต่งตัวด้วยความมุ่งหวังเพียงแค่ว่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านี้มันไม่ยากหรอกจะซื้อเสื้อหรือเลือกใส่เสื้อมันก็จะง่ายแต่ถ้า แต่งด้วยความมุ่งหวังจะให้เป็นที่โดดเด่นนะให้ใครๆเหลียวมองให้ดูเท่ดูสมาร์ทนี่อันนี้เชื่อมันจะยากขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าจะซื้อเสื้อก็ซื้อยากอีกทั้งเสื้อแต่ละตัวก็ราคาแพงกางเกงรองเท้าก็เหมือนกันนาฬิกาต่างหาก ซื้อมาแล้วถึงจะถึงเวลาจะเลือกใส่ก็กลุ่มใจเพราะมันมีให้เลือกมากมายหลากสีหลากสไตล์เสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เยอะอันนี้เราว่าชีิตมันยากเพรา ะ, ะตั้งโจทย์ไม่ง่ายแต่ชีวพมันจะไม่ยากเลยนะถ้าตั้งโจทย์ง่ายเนี้ย เช่นเดียวกันนะการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายแต่ที่มันยากเพราะเราตั้งโจทย์ให้มันยากตั้งโจทย์ยากยังไงนะก็คือจะให้มันสงบจะให้มันนิ่งจะให้มันไม่ฟุง้งในถ้าตั้งโจทย์เนี่ย การปฏิบัติมันจะยากทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ยอมให้มันไม่ยากอยู่ในบังคับอยู่ในอำนาจของเราง่ายๆอยากให้มันสงบเนี่ยมันกลับฟุ้งซ่านอยากให้มันนิ่งมันกลับแสสายเหมือนกับยิ่งห้างก็เท่ากับยิ่งยุ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ย จิตของเรานี่มันมันสั่งได้ยากหรือสั่งไม่ได้เลยนะจะห้ามไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันโดยเพราะจิต ท, ที่ถูกปล่อยปละละเลยมานานถ้าเรามาที่นี่เพื่อจะบังคับจิตให้สงบเพื่อฝึกจิตให้นิ่งอันนี้เราเราตั้งโจทยากแล้ว และพอเหตุ น, นั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราก็เลยยากไปด้วยบางคนถึงกับแน่นหน้าอกปวดหัวบางคนก็สึกหายใจไม่เต็มปอด บ, บางคนก็สึกท้อแล้วก็บว่นว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันยากเหลือเกินอาการจะมันยากเพราะเราตั้งโจทย์นะ ยากแต่เราลองตั้งโจทย์ให้มันง่ายกว่านั้นนะจะดีกว่าการปฏิบัติก็จะ ง, ง่ายตั้งโจทย์ให้ง่ายคืออะไรก็คือว่าแค่รู้เฉยๆใจมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งใจมันจะฟุง้งหรือแสสายก็ไม่เป็นไรขอเพียงแต่เรารู้ว่าใจไม่นิ่ง รู้ว่ามันมีความคิดนะมากมายเกิดขึ้นบังคับจิตให้นิ่งนี่มันยากนะฝึกจิตให้มันสงบเนี่ยมันยากแต่ถ้าเรานะเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนโจทย์สมัยว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจใจมีอาการอะไรก็แค่รู้เฉยๆแค่รู้เท่านั้นแหละ มันฟุ้งก็รู้มันไม่ฟุ้งก็รู้มันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันหงุดหงิด ก, ก็รู้มันพอใจก็รู้รู้อย่างเดียวถ้าเราตั้งใจบแบบนี้เนี่ยนะการปฏิบัติมันจะง่ายเพราะว่าเราไม่เน้นกับบังคับจิตกว่าที่ท่านก็ย้ำนะผู้ปฏิบัตินะข้อหนึ่งสั้นสั้นก็คือว่า อย่าไปห้ามคิดนะอย่าไปห้ามคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับจิตให้มันหยุดคิดเพราะมันทำไม่ได้นะอาจจะทำได้ชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ันต่อธรรมชาติของมัน เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเพราะจิตมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่รถนี้เรายังบังคับหรือห้ามไม่ให้มันเสียไม่ได้เลยโทรศัพท์เี่จะสั่งมันว่าไม่ให้เสียนะไม่ให้แห้งเราก็ยังสั่งไม่ได้ไอ้ที่มันยังทำงานอยู่ได้นี่ไม่ใช่เพราะเราสั่งนะ แต่เพราะว่าเหตุปัจจัยของมันยังไหลลื่นโทรศัพท์จึงยัยงใช้ได้รถจึงยังใช้ได้แต่พอเหตุปัจจัยหรือเครื่องเข่ากลไกลของมันเกิดมีปัญหาขึ้นมามันก็เสียมันก็หยุดมันก็แห้งเราจะสั่งเราจะบังคับมันยังไงก็มันไม่เป็นไปอย่างที่ เราต้องการวจิตนี้ก็เหมือนกันนะจะไปสั่งบังเข้าให้มันหยุดคิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนายนคือรู้ทันอาการยังง่ายกว่าเป็นเพราะเราเลือกทําสิ่งที่ยากหรือว่าตั้งโจทยาก มันก็เลยมีปัญหาหรือเปรียวกับเราค่อยสังเกตสังการรถที่แล่นผ่านบนถนนที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเราแค่สังเกตหรือดูนะว่ามีรถคันไหนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางทีก็รถมอเตอร์ไซค์บางทีก็รถอีแตนบางทีก็รถเกง๋งบางทีก็รถกระ บ, บะ แค่รู้เฉยๆนะว่าเออมันมีรถอะไรแล่นผ่านนี่มันไม่ยากหรอกแต่ถ้าเราคิดจะไปห้ามรถนะให้รถมันหยุดให้รถคันนี้หยุดรถคันนั้นหยุดเนี่ยมันยากนะเพราะรถเขไม่ยอมหยุดตามใจเราหรือว่าเห็นรถคันไหนเออดีรถคันไหนมันสบายรถคันไหนสวยอยากจะกระโดดขึ้นรถ อันนั้นก็ยากเงินแค่ดูเฉยๆนะแค่สังเกตดูแล้วนะอันนี้มันง่ายง่ายกว่าการที่ไปบังคับจิตให้มันหยุดหรือบังคับจิตให้มันนิ่งนะไอ้ที่เรามาปฏิบัติกั็เพื่ออันนี้เพื่อมาเพื่อมาให้เราขยันรู้ ไม่ใช่ขยันห้ามความคิดแต่รู้ความคิดรู้ทันความคิดและรู้เนี่ยคือรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆคือว่าไม่ไปทำอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ประสงค์เช่นความฟุ้งซ่านความงุนงง เราก็แค่รู้โดยที่ไม่ไปผักสายกดขมมันมีควาคิดดีๆเกิดขึ้นนะเช่นฝันกลางวันเราก็ไม่หลงไหลหรือไหลไปตามมันรู้ซื่อคือว่ารู้โดยที่ไม่ผักสายหรือไหลตามหรือรู้โดยไม่ผักสายหรือไขว้คว้าแต่ตรงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะเพราะว่า นิสัยเราเนี่ยหรือความกระชินเดิมๆถ้ามันคิดดีก็อยากจะไหลไปตามความคิดนั้นแต่ฝันกลางวันก็ฝันให้มันสุดๆไปเลยแต่ถ้ามันมีความคิดไม่ดีความทรงจำที่เจ็บปวดก็อยากไปห้ามมันหรือถ้ามันมีอารมณ์ที่ไม่ประสงค์เช่นความหงุดหงิดความกลัวก็อยากไปกดข่มมัน อันนี้เป็นนิสัยที่เราทำมาเนิ่นนานตรงนี้แหละที่เราควรจะฝึกก็คือว่าแค่รู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับความคิดและอารมณ์นั้นคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะหลวงพ่ออํกำกียเน้นลยพูดไว้เนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่คิดดีก็เอาคิดไม่ดีก็ผักสายไม่ใช่ เพราะถ้าเราเนี่ยไปทำอะไรกับมันเนี่ยไม่ว่าผักใสยหรือไหลตามเนี่ยเราก็จะอยู่ในอำนาจของมันแล้วเราไม่ใช่แค่อยู่ในอำนาจของมันลากลับจะไปเพิ่มอำนาจของมันหรือว่าตกหลุมพาดท่าเสือใจกับมันเวลาพรานเนี่ยเจะดักจับสัตว์เนี่ย ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดนะในน้ำบนบกมันก็มีวิธีการอยู่สองอย่างใหญ่ๆอันแรกก็คือเอาเหยื่อมาล่อเหยื่อที่สัตว์นั้นชอบนะเช่นถ้าจะจับปลาเนี่ยก็ต้องเอาหนอนหรือมแมลงนะหรือไม่เช่นนั้นถ้าจับเสือก็เอาเนื้อ หรือบางทีสัตว์เป็นเป็นมาล่อไอ้เหยื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ถูกใจของสัตว์แลนะ้วนั้นก็จะล่อให้เข้ามาหาแล้วก็ติดกับดักหรือติดเบ็ดวิธีที่เราคุ้นเคยอยู่อีกวิธีนีคือเอาสัตว์ที่มันไม่ชอบที่หลายวันนกต่อไก่ต่อนีย อนกต่อมาล่อเอาไก่ต่อมาล่อเนี่ยนกหรือไก่เจ้าถินเนี่ยพอมันได้ยินเสียงของนกหรือไก่ต่อเนี่ยมันจะทำยังไงมันจะเข้าไปไล่มันจะเข้าไปไล่ให้ออกจากพื้นที่ของมันแต่พอเข้าไปไล่นะสุดท้ายก็ติดบ่วงติดแล้วแล้วติดกับดักของพราน ไอตัวหลงหรือกิเลสก็เหมือนกันนะมันก็ใช้วิธีเนี่ยที่ทำให้เราติดกับดักหรือทำให้เราพลาดทาเสียีจก็คือว่าความคิดหรืออารมณ์ที่เราพึงพอใจแล้วก็หลงหลงเข้าไปหาเข้าไปไขว้คว้าหมายยึดครองแต่คือเราทำอย่างนั้นเราก็ถูกมาเล่นงานหรือว่า จมเข้าไปในความหลงอย่างของที่เราชอบเนี่ยอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเพชรล่อต่อให้เราเลืมตัวแล้วก็ตกอยู่ในน้ำหน้าของกิเลสคือโลภะแล้วก็พาธาเสียทีอีกอันเนึ่งคือ สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วล่อให้เราก็ไปผักสายกดขมมันซึ่งความโกรธเนี่ยนะพอเรารู้ว่ามันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นในใจหลายคนจะเข้าไปผักสายมันก็ไปกดขมมันมีความเศร้าเกิดขึ้นมีความรู้สึกคับแค้นขุ่นเคืองเกิดขึ้นก็จะไปผักสายกดขมมันในเพราะคนที่ตั้งใจจะควบคุมจิตให้สงบแต่พอ เข้าไปผักสกดขมมันนะก็เท่ากับตกอยู่แนวหน้าของมันเลยเหมือนกับติดกับหลักของพรานที่เอานกต่อเอาไก่ต่อมาล่อให้เจ้าถิ่นเนี่ยเข้าไปพันตัวกับมันยิ่งเราพยายามผักสผักสกดข่มความโกรธความโกรธก็ยิ่งคล่องงมกำจัยเราไอ้ปรารถนาความสงบก็เลยกลายเป็นไม่สงบ แล้วรุมร้อนมากขึ้นล้วเราจะทำยังไงนะเราก็แค่ดูมันเฉยๆไงรู้รซื่อๆรู้เฉยๆนะให้การรู้เฉยๆนี่มีพลังนะเพราะมันทำให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ครอบงำจิตใจเราไม่ได้แต่ว่ากลับอ่อนเปลี่ยไปเลย เคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูนแกของหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้อันนี้คงเป็นคำถามของหลายคนหลวงปู่ท่านตอบไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับเองรู้ทันโดยที่ไม่ไปกดขม่มไม่ไปตัดรอนมันไม่ไปสู้รบตกมือกับมันก็คือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนั่นแหละ เป็นการรู้ด้วยสติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ตั้งใจจะมาห้ามความคิดกดขม่มอารมณ์ต่างๆอันนี้เราจะผิดหวังและจะทำให้การปฏิบัติของเราเป็นเรื่องยากเพราะเราตั้งโจทย์ยากนะองตั้งโจทย์ให้มันง่ายกว่านี้คือแค่รู้ทันมันแล้วการรู้ทัน น, นอกจากเป็นการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแล้วเนี่ยจะต้องใจเย็นด้วยนะ เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยกว่ามันจะรู้ทันเนี่ยก็คิดฟุ้งไปเยอะแล้วหลายคนใจร้อนนะอยากจะรู้ทันเร็วๆเพราะนั้นพอก็เลยไปดอกไปดักจ้องดูความคิดว่าถ้ามันคิดเมื่อไหร่จะเข้าไปบี้มันคนที่ทำแบบนี้ก็ทำได้พักหนึ่งนะ แต่พอทําไป น, น, นานๆก็จะเบียนหัวก็จะหน้ามืดก็จะเครียดทําไมนะเพราะเวลาเราไปห้ามความคิดเนี่ยปฏิกิริยาอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในในตัวเราคือเราจะเราจะกั้นลมหายใจสังเกตไหมเวลาเราสดเข็มเราจดจ่ออยู่การสนเข็มนี่นะเราสังเกตแปลว่าตอนหน้าเรากลั้นลมหายใจ การเพ่งดูเข็มกับการเพ่งดูจิตนี่มันก็เหมือนกันนะมันทำให้เราเผลอทำให้เราหยุดหายใจหรือกลั้นลมหายใจเดีย๋ยวเพราะตอนที่เราไปบี้ความคิดไปตัดความคิดให้มันขาดเนี่ยแล้วพอกลั้นลมหายใจนานๆนะทั้งวันเนี่ยนะวันหนึ่งนี่ชั่วโมงหนึ่งหลายครั้ง เพราะตั้งใจที่จะไปห้ามความคิดวันหนึ่งนี่ก็สมมติชั่วโมงละ1ิครั้งเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นร้อยนะอาจจะ200ครั้งสุดท้ายเกิดเกิดอะไรขึ้นนะเวียนหัวหน้ามึนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปดักจ้องดูความคิดนะ อดทนใจเย็นสักหน่อยใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะรู้ทันได้ช้านะคิดไป10เรื่องเราถึงค่อยรู้ทันว่าเผลอคิดไปจะไม่เป็นไรนะเราก็ทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะทำไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะรู้ทันได้ไวขึ้นจากเดิมที่คิดไป10เรื่องถึงค่อยรู้ ก็เผ่อคิดไปแล้วคราวนี้คิดไปได้เก้าเรื่องก็รู้แล้วแล้วพวกนี้เนี่ยมันรู้เองนะสั่งไม่ได้มันเป็นความรู้ที่เป็นความระลึกได้ในเวลาเดียวกันคือรู้ทันความคิดแล้วก็ระลึกได้ว่ากาลังทาอะไรอยู่มันจะเกิดขึ้นคู่กันไปเลยลองสังเกตดูค่ะที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะ แล้วใจลอยมันจะมีจุดหนึ่งขณะหนึ่งที่เราเกิดรู้ทันเห็นความคิดและตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับความระลึกได้ว่าเรากําลังเดินจงกรมสร้างจังหวะอยู่นะความรู้ทันและความระลึกได้นี่นเกิดขึ้นติดๆกันเลยรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นรู้ทันความหลงที่ปรากฏแล้วก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เป็นการระลึกได้ในปัจจุบันระลึกว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันปกติเวลาเราพูดถึงคาว่าระลึกได้เนี่ยเรามักจะหมายถึงระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตเช่นจำได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าได้ฟังคำบรรยายเรื่องอะไรหรือว่าก่อนที่จะขึ้นมาทำวัดเนี่ยได้พูดคุยกับใคร ถ้าถามว่าเพื่อคุยกับใครก่อนจะขึ้นมาเราก็ต้องตั้งใจนึกสักหน่อยจะถึงจะบอกได้เหมือนก็ที่เราต้องตั้งใจนึกว่าเมื่อช่ากินอะไรถึงจะตอบได้แต่ว่าความระลึกได้ที่พูดถึงเนี่ยในขารที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นการระลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นความระลึกได้ในเรื่องอดีต ถมันไม่อาศัยการตั้งใจนึกนะจะลึกเรื่องอดีตเนี่ยมันต้องตั้งใจนึกแต่เราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันกําลังสร้างจังหวะอยู่กําลังเดินจงกรมอยู่หรือไมไ้แต่กาลังฟังธรรมขณะนี้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เองมันไม่ได้ตั้งใจจะว่าไปามันก็เป็นทั้งความยากและความง่ายนะเพราะว่าถ้าตั้งใจนึกเนี่ยมันดูง่ายนะแต่บางทีการที่มันนึกขึ้นมาได้เองเนี่ย ก็อาจจะง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวมันนึกขึ้นมาได้เองที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นงานของสติสติมันทำงานให้กับเรามันทำงานแทนเราแร้วลึกขึ้นมาได้เองว่ากาลังฟังทำอยู่ขณะนี้กำลังยกมือสร้างจังหวะกำลังเดินยองกลมมันนึกขึ้นมาได้เองเหมือนกับที่เรานึกขึ้นมาได้เองนะ ขณะที่กําลังทํางานอยู่หรือกำลังดูหนังอยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเรานัดเพื่อนเอาไว้เรานัดว่าจะโทรศัพท์ไปถามข่าวข่าวเขาหรือนึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งน้ําร้อนเอาไว้เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้แต่มันนึกขึ้นมาได้เองแต่ว่ า, าการนึกขึ้นมาได้ขณะปฏิบัติเนี่ยนะจะว่าไปเนี่ยแม้มันไม่ได้เกิดจากการตั้งใจนึกนะ แต่เราสามารถจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เร็วด้วยการทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติบ่อยๆให้โอกาสมันนึกขึ้นมาได้บ่อยๆนึกขึ้นมาได้บ่อยๆแล้วมันจะนึกขึ้นมาได้เร็วมันจะนึกขึ้นมาได้ไวโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนอกจากทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้มันถ้าเราอยากจะให้การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะ ก็ตั้งโจทย์ให้มันง่ายใช่ถ้าเราตั้งโจทย์ให้มันยากการปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องหินขึ้นมาลองถามใจเราเองดีนะว่าเยเราตั้งโจทย์ง่ายหรือยาก